สวัสดีครับคุณทุ่งฝงครับสวัสดีวันอังคารครับหมายวันนี้ผมมา <c oughs> มาก่อนหน้าฝนคุณทุ่งฝงสี่โมงปุ๊บมาแล้วครับทางเหนือครึ่มมาเป็นแถบครึ่มยาวเลยแล้วคุณทุ่งังถ้าจะหนักแถวทางแพร่เขาพึงแล้วก็ไล่มานานนกกกมาถึงทางบ้านเราครับตอนนี้ก็ไปอยู่แถวในเมืองแล้วคุณทู้งัางลมมาแรงครับจากทางด้านเหนือ ก็จนเป็นแบบนี้ครับธรรมดาในตอนนี้แดดเปรี้ยงตอนนี้มืดครึ้มละคุณผู้ฟังอ่าก็ดีครับที่ลมไม่ได้ยาวนานต่อเนื่องแรงจัดมากตอนนี้ลมก็นิ่ ง, งไปแล้วฝนก็เบาๆลงแล้วเป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟังอ้าวฟ้าร้องอีกแล้วเป็นไงนบ้างครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนท่านที่อยู่ชุมชนหัวรอฟักท่าป่ายางวันนี้ลงกันครบทุกคนหรือเปล่ามีปัญหาติดขัดอะไรไหม ถ้ามีนะครับถ้ามีอย่าลืมว่ามีเก็บตกอีกหนึ่งวันก็คือวันที่23กันยายนนะครับที่ทําการชุมชนยางกระดิ่เหนือก็กลับได้ทุกชุมชนนะครับสามารถถ้ามีปัญหาวันที่23ก็กลับมายื่นเอกสารใหม่ได้ครับในวันที่23ที่ทําการชุมชนยางกระดิ่เหนือได้ทุกชุมชนนะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับยีกันยายน เก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นครับก็แจ้งไปยังท่านที่อยู่ชุมชนคอกช้างท่านที่อยู่ชุมชนตลาดรับแปลนะครับท่านที่อยู่ชุมชนขอกช้างอยู่ชุมชนตลาดรับแปรที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันพรุ่งนี้ไปลงทะเบียนที่ทําการชุมชนยางกระไดใต้นะครับวันพรุ่งนี้ไปลงทะเบียนที่ทําการชุมชนเอาเข้าไปครับขออภัยคุณรู้ฟัง วันพรุ่งนี้ไปลงทะเบียนที่ทําการชุมชนคอกช้างครับวันพรุ่งนี้นะครับยีกันยายนท่านที่อยู่ชุมชนคอกช้างอยู่ชุมชนตลาดตะแแปร่เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนคอกช้างครับก็วันละ2ชุมชนนะครับแต่ถ้ามีปัญหาเอกสารอาจจะติดขัด ยื่นใหม่ได้ในวันที่23ครับแต่ให้ไปยื่นตรงกับชุมชนของตัวเองก่อนนะครับยื่นให้ตรงกับชุมชนของตัวเองก่อน22กันยายนครับท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้อยู่ชุมชนบ้านหนองนะครับท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้อยู่ชุมชนบ้านหนองวันที่22กันยายนไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดใต้9ก้โมงเช้าถึง4ีโมงเย็นนะครับ 22ท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้อยู่ชุมชนบ้านหนองไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดใต้9ก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นและวันที่23นะครับท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดเหนือและเก็บตกทุกชุมชนนะครับท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดเหนือและเก็บตกทุกชุมชนไปยื่นเอกสารได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดเหนือ9ก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นวันที่ 23กันยายนครับ กันมาแต่โดนแล้วบ่มีวีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทังมีแต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสีห้างหรือเ้สาสีห้างสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว่าหัวใจสวยน้องบ่หัวซาบัดสิว า, ากันไปบ่ได Say what's important. Say what's important. Say what's important. Say what's important. Say what's important. Say what's important. Say what's important. s a ลงยาวยาวย้อนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเซบอกคิดบอฟฝันว่าฮักสีห่างสิเพสเลเตดอกมีไรกลิ้นหอมเห็นจังไดหัวใจบอพร้อมหรือต้องยอมฮับความเป็นจริงอีหลีให้ซาเดาให้ตายมือนีให้คนที่ลืมสัญญา ใสาว Pokémon, pakai pakai ่าสิบอทิ้มกันใสาว่าสิมีกันและกันใสาว่าสิฮักแหงกันใสาว่าสิมีกันตลอดไปใสาว่าสิบอทิ้มกันใสาว่าสิมีกันหรือปใสาว่าสิบแบ่งใจใสาว่าสิมีแั่ Say s i m p y o r n t s t t i m p จิมการโอ้โอ้โอมโอโอ สาระน่ารู้วันนี้ครับคุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องนี้ครับเรื่องของเวลาฝนตกทำไมได้กลิ่นฝนคุณผู้ฟังหลายคนครับอาจจะชื่นชอบกลิ่นฝนครับเวลาฝนตกแถวใกล้ๆแล้วจะได้กลิ่นไอดินขึ้นมาคุณผู้ฟังทาให้เรารู้สึกอารมณ์ดีครับรู้สึกสดชื่นได้อีกด้วยทั้งนี้ครับ ฝนที่ตกลงมาครับทําให้เกิดกลิ่นมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกลิ่นที่เรียกว่าเพชรปริคอครับซึ่งมีที่มาจากชื่อนักวิทยาศาสตร์2คนที่ค้นพบกลิ่นนี้นะครับโดยกลิ่นนี้มักจะเกิดขึ้นช่วงฝนหยุดตกใหม่ๆเกิดได้จาก2 ส, สาเหตุครับได้แก่สาเหตุแรกมาจากน้ํามันลึกลับบางชนิดที่พืชได้สร้างขึ้นและสะสมเอาไว้ในช่วงที่ฝนไม่ตกแล้วเมื่อฝนตกลงมา น้ำฝนก็จะชะล้างน้ํามันเหล่านั้นให้ฟุ้งไปในอากาศส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดก็คือสารเคมีบางชนิดซึ่งอยู่ในแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินครับโดยแบคทีเรียชนิดนี้จะลอยสู่อากาศเมื่อฝนตกหรือเมื่อกลิ่นทั้ง2ชนิดลอยขึ้นสู่อากาศและเกิดการรวมตัวกันก็ทําให้เกิดกลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นที่หลายๆคนชอบนั่นเองโดยกลิ่นชนิดนี้มีความหอมซึ่งจะให้ความรู้สึกสดชื่น กรับรบเป่านอกจากนี้กลิ่นที่ว่าแล้วครับก็ยังมีกลิ่นดินครับซึ่งเป็นสารที่สร้างขึ้นโดยเชื้อแบคทีเรียเมื่อฝนตกจะไปละลายสารชนิดนี้ขึ้นมาทําให้เราได้กลิ่นดินขณะที่กลิ่นของโอโซนครับก็เป็นอีกกลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยเมื่อเราออกไปสู่ที่โล่งหลังฝนตกโดยกลิ่นของโอโซนนั้นมาจากภาวะฝนฟ้าขนองฟ้าแลบฟ้าร้อง ซึ่งประจุไฟฟ้าที่อยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจะแยกโมเลกุลของออกซิเจนและไนโตรเจนออกจากกันและโมเลกุลที่ถูกแยกออกจากกันก็จะรวมตัวกับสารเคมีอื่นๆที่อยู่ในอากาศกลายเป็นโอโซนซึ่งโอโซนนั้นมีกลิ่นคล้ายๆกับคอรีนที่จะช่วยสร้างความรู้สึกกระชุ่มกระชวยและสดชื่นให้กับคนเรานั่นเองก็สรุปได้ว่ากลิ่นฝนครับสามารถสร้างความรู้สึกกระชุ่มกระชวย กระปี้กระเป๋ได้ซึ่งหลายคนครับหลังฝนตกทีไรก็รู้สึกสดชื่นแบบบอกไม่ถูกนั่นเองก็คงรู้ที่มาแล้วนะครับแต่อย่าไปสูตรตอนที่เรายือนอยู่กลางฝนนะครับเหมือนกับว่าไปยืนตากฝนนั่นเองอันนี้ระวังจะไม่สบายานะครับก็เป็นสาระน่ารู้ครับแม่เข้ากับช่วงของฝนตกพรำๆแบบนี้ที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ คนอื่นกลั้มกลืนพระชื่อเป็นยิิงใจจึงสุดทนนอนใจหายไม่นึกว่าเธอสอนใครไว้อีกคนน้ำตาเอ่อล้นสับสนไม่นึกว่าเธอจะลายใจนอนก็ดฉันตะฝัน คนอ น, นอนกอดฉันแต่ใจเชื่นงอยู่กับใคร ชูข้า ยากรอากาศครับคุณผู้ฟังลืมลืมลืมมาเชียวภาคเหนือครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยา น, าน่านแพรอ่อุตรดิตพิศณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาอุณหภูมิสูงสุด32องถึง35องศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับ 17นิกาวันนี้ถึง17นิกาวันพรุ่งนี้ครับก็ 60% แล้วคุณุฟังออกประกาศปุ๊บผลก็มาตามประกาศเลยคุณนงฟังมีอุตรดิตรวมอยู่ด้วยแล้วก็ท้งเหนือครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยา น, าน่านแพร่นี่ก็ตกกระจายเป็นวงกว้างเหมือนกันก็เดินทางไปไหนสอบถามปลายทางกลางทางได้ครับระมัดระวังกันด้วย ฝนตกไม่ต้องรีบครับท่านที่เป็นรถยนต์ฝนตกทีไรเห็นรีบตลอดขับเบาๆบาบ้างก็ได้ครับ อย่า แต่ได้ย่างกายได้สูดไอยกินเจ้าก็ลงมือเมาอํำคนิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องย่านทั้งนองสิเปิดน้าเจ้าผู้แก่ไปลาใจเพพังตั้งแต่ครั้งแต่คราวก่อน ใส่มอนใจอวอนแต่นำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำไม่ใจมันปวดรา้าวจนมาพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต่ไอ้คอแนมเนจากว่างอยชุบใจที่เพพังลาบนางคนไข้สิเป็นไปได้บอกท่านไอ้สิขอไปเคียงกาย ขันเจ้าบ่มีภัยขันได้นางมาเคียงข่าสีขอักนางไม่จนแกโปดรับใจเอาไว้เน่ให้เจ้าแลเน่เดินคำยามหนาวไห้กาสิก่อนยามนอนในกาสีห้ ได้ย่างกายทีสุดอายกินจังก็ลงมั่วเมาทำคะิ่งแต่ลมนองอยากสิจับตาจ้องยานทั้งนองสิเปิดนายเจ้าผู้แกไไเ่เวลาเจ้าผู้่าไม่ปันแต่มไอ้ขอนนําในี่ยจะวาสซอยชุดใจที่เพรพันลาปรนังมนไครสิปิไม่ได้ สิคอไปเคียงกายขันเจ้าบ่มีไยัยขันนี่ น, น้องมาเคียงขาดสิคอหักนั่งไปจนแก่โกด ร, รับใจเอาไว้แน่สิดูแลบลล่ละเลยตาสิคอยแต่นสองมเจ้าจนมือตายแมนขี้ดินกบไว้มันทางใจกัน ย, ยังบ่ซ่า เจ็บเติบอยู่เดหัวใจเพรีย์ไสิบอเจนแห่งเป็นคนเก็บน้ำตาบอคอยเก่งบอได้เป็นโตเต็งหัวใจเลเจ็งบอเป็นผ่าเอาละว่าน้ำตาย คือโบธันโยอเอลายส์ซาซว่าแม่นเทสัสมผัวว่ายานบ่มีน้ำตาเมื่อนาสิ บ, บ่มีไหลบุญพลาบ่ซอยอยู่ไปบ่จอดบอ่ ก็ต้องมังคือจังน้ำตาไฟใจประสงค์สร้างแล้วก็มีทางมัางลงได้หัวใจคนแห่งเปลี่ยนง่ายเสื้อบอดได้หัวใจคนเมื่อบ่มีตัวตนคงมีเหุอนเดียวที่มือได้กันเลยจ้องน้ำตาให้ทาลายน้อมือน สี่ปีลำเศร้าปีลำบ่ได้คหน้าทีเต็มที่ส่งอกทางแต่เล่จงน้ำตาไว้ท่าหัวมือเก้ บอซอยู่ไปบอ่อหอดจอดบอ่อถึงหอดเมืนน่อนึงก็ต้องมา่คือจังน้ำเดินไปใจประสงค์สร้างแล้วก็มีทางมั่งลงได้หัวใจคนแห่งเปลี่ยนง่ายเสื้อบอ่อได้หัวใจคนเมือ่อบ่มีตัวตอนคงมีเหตุผนเดียวคือเมื่อใด c o a c k h y <Sanly> d u a v e วันพรุ่งนี้สำหรับการลงทะเบียนรับบัตรสุริการแห่งรัฐนะครับท่านที่อยู่ชุมชนคอกช้างชุมชนตลาดรับแลนะครับวันพรุ่งนี้9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับท่านไปลงทะเบียนได้ที่ทำการชุมชนคอกช้างนะครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็น22กรกฎาคมท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดใต้ชุมชนบ้านหนองนะครับ ไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดใต้และวันที่23ครับท่านที่อยู่ชุมชนยางกระไดเหนือและเก็บตกทุกชุมชนไปลงทะเบียนกันได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดเหนือนะครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเช่นกันนะครับ คิดพ่อบอ่เมื่อที่ไ อ, อยังจากน้องไปจนว่ากินขา้าวโบได้หัวใจพังลุกนั่งกับโบมีแห้งยางน้ำตาย่อยอบก็แสีใจห่าง หวังฝากชีวิตเบิดทุกอย่างเอาไว้สุดท้ายเหลือไว้แค่คำลา mm hmm. ไอกดเบอร์แล้วโทรบอกว่าคิดหอดกันลาย ขึ้นเป็นเจ้าของใจคือเกาได้บ่สิหิตจังใด งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดมาจนหากินบนฟ้ามอดทนที่คนมึงมีไม่เข้าใจไอ้คำว่าอดตา ดวงอาทิตย์จะส่องแสงในยามค่ำคืนหลับหลงที่ไรก็ต้องตื่นมาเป็นธรรมดาของชีวิตถูกนิคิดไว้ร้อนไม่นานก็ฝนลำบากลำบนอดทนอีกสักนิดแล้วค่อยคิดจะก้าวต่อไปบนทางยาวไกลต้องมีติดมา ไม่คยแค่ไม่สนว่าคนก็จะมองหรือดอนเย็ดยามก็ตามาแต่ใจเขาร้องไห้ไม่นานก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเก่าทำยังเดิมก็เรามันมีท่างนี้ขอได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดอดนน หากินมังคำอดคนที่คนมังมีไม่เู้ใจไอ้คำว่าอดตายความหมายมันเป็นอย่างไรไม่มี อลิกา